เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปกรอได้ในสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอรกะโลมะสมุดฐานละ